4. อัตตะกามะปาริจริยสิกขาบท 11. ถามพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาธทิเศษแก่ภิกษุผู้กล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาตุคามหน้าที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถี